ฟังที่ครูครัและสำหรับในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเวลาที่ท่านจะได้พบกับพระพบูลอภิปุนโนจากวัดตาดอนายโศกจังหวัดรอนทา น, นีมาเปิดทันที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้ท่านได้ฟังกันคะ่ะนักวิชการกับท่านพิบูลค่ะเชิญบานค่ะก็ในเรื่องพุทธพุทธเชียนตีีก่อนเดินดีไหมดีนะคะเอ่เอในการที่มีพระชาติมาครบ2600รปีเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยเรื่องที่เอ๊ยศาสนาตั้งอยู่ได้กี่พันปีกันแน่ นะซึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็นคนกว้าพุทธวจนะที่พระเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้ถึงอายุของศาสนานะพระเจ้าตรัสไว้ตรงก่อนที่จะปรินิพานคุณโยมติว <Okay. S 1> พูดกับสุภัทาปริภาชกนะตอนนั้นกำลังจะบวชอยู่พอดนะีบอกว่าศาสนานีน้จะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานนะถ้าคุณถามเรื่องพุทธวจนะทีอะ่อายุศาสนาจะอายุเท่าไหร่ตอบไปเลย <Okay. S 1> ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน บางคนบอกว่าท่านพบูร์พูดอย่างนี้ได้อย่างไรที่ผ่านมาได้ยินแต่ห้าพันห้าพันปีห้าพันปีเนี่ยไม่ใช่พุทธวจนะไงเป็นคําของท่านอัตถกาาจารย์ต่างๆที่ท่านแต่งขึ้นมาอืมซึ่งตรงนี้พระเจ้ายกตัวอย่างเฉยๆตอนนั้นท่านพระอนุนเนี่ยได้มาเขาเรียกว่าอะไรให้มีมีพิกษุณีใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าค่ะขอให้มีพิกษุณีใช่พระเจ้าก็าเลย หลังจากที่ขอได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพระรามาอธิบายให้ท่านพระอนุนฟังในภายหลังว่าการที่มีวิษุธ์นีน้จะทำให้อายุของศาสนาเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็เลยได้ยกตัวอย่างนะสมมุต1พ0 0ปีนะก็จะลดลงเหลือแค่500ปีอย่างนี้เขาก็เลยคิดว่าตากษาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าอ๋อพระราชานะมีประกศาศศาสนานได้นึ่งพนปะีพระอารหนอีก1000ปี อนาคามีอีกหนึ่งพันปีโสดาบันอีกหนึ่งันปีสกท า, าคามีอีกหนึ่งพันปีรวมเป็นห้าพันปีค่ะอย่างนี้เลยอะสรุป ก, กันอย่างนี้เลยอื ม, อมนั้นก็เท่ากับว่าตัวเลขห้าพันปีนั้นเป็นเพียงตัวเลขที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอายุของพระพุทธศาสนาอืมไม่รู้มาจากไหนแหละก็มาจากที่เขาเขียนอยู่ในอัตถกถาส่วนที่เป็นนะคะแต่ว่าอาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันเพราะว่ามีห้าพันในที่อื่น ที่เป็นพูทวจนะอย่างที่ท่านเพรบิบได้พูดไปแล้วใช่ค่ะงั้นดิฉันคิดว่าตรงนี้สำคัญมากนะคะคือบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าโุ้โหี่ผ่านมา 2,500 ปีแล้วเลยแค่ 2,500 ปีเองถึงว่าซีโร่บนเสริมลงทุกวันเนี่ยคนจะพูดประโยคแบบนี้นะคะก็ะเท่ากับว่าถ้าฟังพูทวจรณนะที่ท่านตรัสพูดกับสุภทัทะรบกวนท่านาบูริพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหคะท่านวังตั้งใจฟังดีๆนะคะออพระุผมว่าเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยคสอนของพระองค์เนี่ยจะตั้งอยู่ได้ นะเมื่อภิกษุนี้เจริญสติปัฏฐานสีสมรรถปัฏฐานสีิทธิบาท4นะีนอินรีหนะ้าพละหโพชงเจมีการเจริญกระทาอยู่ทางถูกต้องแล้วนะพระสะทัทธรรมจะดั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานสิ่งที่เป็นสติปัฏฐานสีโพชงเจอะไรพวกนี้คะถ้ารวมกันแล้วเรียกว่าอะไรคะคือถ้าจะพูดสั้นๆโพี่ปักยียธรรม37บ อองค์ธรรมอองคธรรมแห่งการที่จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้สามสิบเจ็ดอย่าง ถ, ถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมีการบอกสอนมีการปฏิบัติมีการพาธรรมอย่างที่ท่านมารพาธรรมเป็นต้นรายการเนี่ยนะพระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ตดลอดกาลนานนะค่ะกําลังจะบอกว่าในโอกาสที่ปีสองพันหกร้อยปีของพระพุทธเจ้าออืนะคะ วันนี้มาถึงตอนนี้ละหากพวกเราจะร่วมเฉลิมฉลองการมีของธรรมอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทโธค้นพบก็ขอให้ช่วยกันเจริญโพธิปักฏยธรรม3าสเจนี้อันใดอันหนึ่งก็ได้องค์ธรรมเพื่อการปรัสรู้ใช่การทำแบบนี้เท่ากับเรากำลังต่ออายุพระพุทธศาสนาสิคะทว่าไปคือจะทำให้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน จะทำให้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานหมามันเป็นคําที่เวลาเราอวยพรใครแล้วโอ้ยขอให้มีอายุยืนนาน <c oughs> ถ้าสมมุติว่ามันไม่ขัดกับหลักความเป็นจริงที่เรารู้ว่าเกิดมาแล้วตายกันทุกคนเนี่ย <c oughs> ก็คงจะบอกขอให้มีชีวิตยอยู่ค้าฟ้า <c oughs> <c oughs> มันเป็นไปนไม่ได้แต่ถ้าพระสัตธรรมอย่างนี้โดยเงื่อนไขอย่างที่บอกไปแล้วนี้จะมีอายุอยู่ได้ตลอดกาลนะนาน ทีนี้ว่าถ้าไธรรมะหมดที่พูดถึงเนี่ยมันหมดไปเมื่อไหร่อายุศาสนาก็ดับเมื่อนั้นเพราะฉะนั้น ม, ม, ม, มันเหมือนกับว่ามันเป็ น, นการชักเยอือแย่งชิ้งกันอยู่นะแย่งชิงระหว่างสิ่งที่เป็นอกุศลกับสิ่งที่เป็นกุศลนี่แหละค่ะคนที่ศรัทธาก็พยายามจะชักเยื้อมาในทางที่ให้มันยืนยาวด้วยการสืบทอดต่อปฏิบัติโททิปักคียะธรรมสามสิบเจ็ดคือตรงนี้อาจจมาเข้าใจว่ามันคงจะเป็นการพยากรณ์ที่ยาก ่ว่าจะต้องกี่ปีกี่ปีเพราะว่ามันมันแปลเปลี่ยนไปตามเขาเรียกกิเลสของคนนะนะค่ะถ้าฝ่ายนู้นกําลังมากเขาก็ดึงเราไปได้แรงถ้าฝ่ายนี้กําลังมากเราก็ดึงมาเข้ามาได้มากค่ะก็จึงบอกว่ามันจะสั้นหรือมันจะยาวมันขึ้นอยู่กับว่าจะทําอย่างไรใช่อยู่ก็เหตุค่ะออนี่ก็เข้าหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเลยเหมือนกันนะเนี่อืมันมีเหตุปัจจัยถูกไหมคะถูกต้องแล้วมันมันมันแปลเปลี่ยนคิดว่า ถ้าอะไรที่พระพุทธเจ้ามั่นใจเนี่ยนะคือการพยากรณ์ของพระองค์จะไม่ผิดพลาดใช่ไหมก็จะบัญญัติเอาไว้เลยว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นแต่ถา้างนี้แสดงว่ามีตัวแปรหลายอย่างมากซึ่งยังไม่คงที่แต่ทําให้ไม่สามารถลงฟันธงได้ว่ากี่ปีกี่ปีค่ ะ, ค, ะคือเป็นวิธีพูดของพระพุทธเจ้าที่จะพูดไม่ให้ผิดมั้งคะใช่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเรื่องไหนที่มันแม่นแม่นยำแน่นอนเป็นความจริงที่ยิ่งกว่าจริงซะอีกยังไงก็จริง ก็จะตัดฟันทงแน่นอนไปอย่างเช่นเรื่องการบรรลุธรรมอย่างเงี้ยไม่เกินเจ็ดปีเ็เดือนพวกนี้ก็ตัวเลขชัดเจนนะค่ะนี่จะเห็นวิธีตรัดของพระพุทโธอีกอย่างหนึ่งเดรนเคยฟังพระภิกษุที่เชื่อกันว่าเป็นพระสุกติบัรน์นอท่านก็จะสอนญาติโยมเวลาพูดบอกว่าต้องพูดว่าไม่แน่จะไปไหนก็บอกว่าไม่แน่อาจจะไป เพราใครจะรู้ว่าพอถึงวันนั้นมันจะไปไม่ได้ใช่คือเราจะไปกากเกณฑ์อะไรมันให้มันเป็นเรื่องบรรดาวเป็นอะไรที่มันจะมีปัญหานี่ไม่ได้เลยคือคืออันนี้มันกําลังพูดถึงประเด็นที่ว่าถ้างั้นเราจะมาวางแผนในอนาคตอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะค่ะคือที่ประเด็นที่คุณยมติบอกไม่แน่ไม่แน่เนี่ยคือเราให้เผื่อใจไว้ด้วยนะว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเรายังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ก็มีบุญกําลังพูดหลักการของความไม่แน่อย่างเนี้ย มันหมายความว่าทุกอย่างหรือเปล่าคะบนโลกใบนี้อยู่บนกฎนี้หรือว่ามันมีบางอย่างที่ยกเ ว, นเกว้นะมีมีส่วนที่เป็นสังคตรธรรมเนี่ยที่จะอยู่ในกฎนี้น ะ, ะส่วนที่เป็นอสังคตรธรรมนะก็จะไม่อยู่ในกฎนี้สังคตรธรรมคืออะไรและอสังคตรธรรมคืออะไรคะสังคตธรรมคือธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ไ, ได้นะมีคุณสมบัติอยู่สามอย่างค่ะก็คือว่ามีภาวะการเกิดปรากฏนะมีภาวะการดับปรากฏ และแล้วก็เมื่อตั้งอยู่เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆค่ะมันมีการเสื่อม<ช>การเปลี่ยนแปลง น, นะคะอันนั้นคือคุณสมบัติของสังขาธรรมใช่ใช่เกิดแล้วมีดับถูกต้องส่วนอสังขาธรรมนั่นคือธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งค่ะนะก็คือเป็นธรรมที่ไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีการเสื่อมปรากฏและแล้วเมื่อตั้งอยู่เนี่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอยู่ค่ะอย่างเช่นอริยสัจสีอย่างเงี้ยเป็นอสังขตธรรมทําไมเป็นอย่างนั้น นั่นเพราะว่าตั้งแต่ก่อนพระเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยนะอริยสัจสี่ก็มีอยู่แล้วค่ะเดีแต่พระเจ้ามาค้นพบท่าหนึ่นงนึกออกไหมคือตั้งอยู่นะไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอืมอก็ต้องค่อยๆทําความเข้าใจกันไปเห็าะฉะนว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายต่อการจําคราวเดียวแต่ถ้าฟังไปคิดไปตามเนี่ยจําได้ละเข้าใจละอืมพอมาให้พูดตามจริง่พูดไม่ได้นะท่าน อ, อยู่ในฐานที่เข้าใจใช่ เรื่องการกําหนดบทเพลงชนะนี้ก็เหมือนกันนะคุณโยมติวอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าอุ้ยเวลาให้เราเข้าใจละเราท่องได้แต่เวลาจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้เงี้ยเพราะฉะนั้นการกําหนดบทเพลงชนะจึงเป็นเรื่องที่อบางคนเท่านั้นที่จะทําได้นะคะมันไม่ง่ายแต่วันนี้แหละเอาให้ได้ธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเลยว่าส่วนใหญ่แล้วที่เรา ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยมักจะเป็นสังขารธรรมถูกไหมคะ อ, อ่าถูกต้องถูกต้องคือคืออสังขตรธรรมก็มีอยู่ในตัวเรานะห ม, มายความว่าถ้าเรามารู้อริยสัจสีเอา อ, อริยสัจสีอยู่ในตัวเราละค่ะอ่าอยู่ในจิตของเราอืมค่ะที่กําลังจะพูดเพื่อเอาไปใช้ะคะ่ะว่าในเมื่ออ่าสิ่งที่เป็นสังขาธรรมเนี่ยอริยสัจสีอยู่ในตัวเราแต่เรายังไม่พบ ถูกไหมคะเราต้องทําความเข้าใจสังขารธรรมของเราให้ถูกก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องสังขาธรรมตรงนี้คือความทุกข์เราเข้าใจอย่างดีแล้วเนี่ยคุณจะเห็นอริยสัจสีทั้งหมดเลยนะคะทีนี้แหละเราก็ลองพิจารณาดูว่าเราอยู่กับอะไรอะไรที่มันเป็นรายละเอียดต่างๆของเราเนี่ยมีไหมเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันกระดับไปเกิดมาแล้วแล้วมันก็มีความเสื่อม ใช่ไหมคะใช่เกิดมาแล้วตั้งอยู่อะไรนะคะเมื่อกี้ที่ท่านพูดคุณสมบัตก็คือว่ามีความเสื่อมปรากฏในมีความเกิดปรากฏเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีสภาวะอย่างอื่นปรากฏสามอย่างนี้นะคะแล้วก็นำมาสู่การที่เราคงจะต้องเผื่อใจไว้สำหรับความไม่แน่นอน <c oughs> ในการวางแผนอะไรดีท่างกาำลังขำามืท่านค่ะ <c oughs> คือเหมือนบอกว่าถ้าเป็นการพูดใน การพูดกับสาธารณหรือเป็นการพูดอะไรก็แล้วแต่มักจะมีคำกล่าวว่าคำพูดเนี่ยก่อนพูดเราเป็นนายมันอืมพอพูดแล้วมันเป็นนายเราคนก็เลยเอาคาเอาการที่คำพูดหลุอดออกจากปากใครสักคนเนี่ยเอามาเป็นบุมเมรแรงเล่นงานคนที่พูด แต่เมื่อมาพินิจพิเคราะห์ดูบางครั้งไอ้ที่มันไม่เป็นไปอย่างคําพูดนะ ค, ะค่ะท่านคะมันก็อาจอยู่ภายใต้กฎสังคาตตะเหมือนกันนะคะสถานาการณ์รมันเปลี่ยนถูกต้องสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าถ้าคนที่เขาไปยึดถือเนี่ยเขาจะเป็นความทุกข์เองแต่แตมันมีแบบนี้เยอะเลยนะคะนอกจากยึดแล้ว ย, ยังไปประนามเขาด้วยแยิ่ง่ายคือน้าลายตัวเองอควา ม, มทุกข์ก็อยู่ที่คนพูดไงคือสมมุติอย่างนี้คือสมมุติ คนเขาซื้อของมาบ้านเราอย่างเงี้ยคุณยมติ๋วมีคนมาเยี่ยมเราเใช่ไหมเขาก็ซื้อของซื้ออะไรมาฝากด้วยเอาดอกไม้เ อ, อะไรมาฝากด้วยอย่างเงี้ยเราบอกโอเราไม่เอาเราไม่เอาบ้านเราไม่มีที่ไว้แล้ววางเต็มละเขาก็อากลับไปถูกไหมหลักใช่เช่นเดียวกันคาําด่าคําว่าเนี่ยเราบอกเราไม่รับเราไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาก็ออกกลับไปของเขาเน ะ, ะ่ะท <c oughs> ีนี้อยู่บนโลกใบนี้บางทีมันต้องอยู่แบบแบบอย่าไปฝืนความเป็นจริงเพรา ะ, อ, ะอักขติบางทีก็เกลียดนะคะ่ะอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่ลําเอียงเพราะเกลียดไง ค่ะอืเขาเรียกว่าโทษาคติเราเหมืงเพราะเกลียดไม่ว่าเราจะทําอะไรดีไม่ดีมันหาเรื่องเราหมดครับเพราะว่าเขาเราเหมือนพระเกลียดไงท่านคะทีนี้เดฉันก็อยากจะทราบว่าเวลาจะพูดถึงเรื่องอัคติกับคนอื่นเนี่ยอัคติมันมีอยู่สี่อย่างเข้าใจคะ่ะเดชินเข้าใจว่าอาัคติเนี่ยมีสีอ่อย่างอืแต่อยากจะรู้ว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยมนุษย์ทั่วท่วไปมนุษย์ที่ยังอกินนอนขับทาย ออืสืบอทอดเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยนะคะ ม, บบนมนุษย์พวกนี้เนี่ยยังถือเป็นมนุษย์ที่มีอคติกันทุกคนคเลยค่ะก็ถ้ามีกิเลสอยู่นะก็ยังมีอคติอยู่นะไม่ไม่มากก็น้อยไม่อย่างใดก็อย่างนึงใช่ใช่ถ้ายังมีความรู้สึกว่าตัวตนอย่างเงี้ยก็คุณก็ยังมีอคติละค่ะอันนี้บางคนอาจจะบอกดิฉันไม่น่าเบรกท่านเลยอคติสี่ยางคืออะไรคะท่านคะสี่ยางคือความโลภเพราะโกรธความโลภเพราะโลภ ความลำเอียงเพราะกลัวแล้วก็ความลำเอียงเพราะหลงรักโกรธกลัวหลงสรุปแล้วก็คือว่าความลำเอียงนั่นแหละที่เรียกว่าอาคาัคติส่วนจะลำเอียงไปในทางรักหรือโลภหรือกลัวหรือหลงนั้นก็เป็นการจำแนกประเภทของความลำเอียงไปแต่มี อ, อยู่ในมนุษย์ธรรมดาที่ยังไม่พ้นจาก กิเลสทุกคนอืมเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ไกลนะคุณโยมติ๋วเอาอย่างแค่คุณไปเลือกตั้งอย่างเงี้ยค่ะอคุณเห็นป้ายหาเสียงเลือกตั้งอุ้ยอันนี้คนนี้ป้ายหาเสียงเข้าท่าจังเลือกนี่คุณลำเอียงพระรั ก, รกค่ะอะคุณไม่ชอบฝ่ายนี้สีนั้นคุณก็ไม่เลือกเขาอันนี้คุณลำเอียงพระโกรธค่ะทางอย่างเช่นการเลือกตั้งอย่างเงี้ยถ้าเราดูพิจารณาตามหลักเกณฑ์นะที่พระเจ้าเคยพูดถึงก็คือศีลสมาธิปัญญา เราเลือกคนที่มีศีลสมาธิปัญญาคุณอย่าไ ป, ไปลำเอียงเพราะเขาป้ายหาเสียงดีลำเอียงเพราะว่าคนนี้มีนโยมบายที่เราไม่ชอบมันไม่ใช่ประเด็นค่ะคือดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะสรุปถูกหรือผิดนะคะแต่ในทัศนะส่วนตัวเนี่ยมีความเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะเพ่งเล็งไปที่คนอื่น โดยเอาตัวเราเป็นตัวตั้งตัวเราชอบตัวเราไม่ชอบอย่างรู้ตัวและอย่างระดับจิตใต้สํานึกก็ตามทีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะมันก็เป็นการที่ใจแคบและอาจจะเป็นการสร้างอากุศลให้กับตัวเองด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านฝั่งก็ลองฟังแล้วใคร่ควรดูจะค่ะเพราะว่าบนโลกใบนี้เราเจออย่างนี้จริงๆนะคะแล้วก็ที่พูดเป็นหลักการเขาไม่ได้ลงไปในรายละเอียดเลยแต่รู้ว่า เมื่อเราต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่พ ย, ยายามนี่ยชํำระตัวเองมันอาจจะต้องมีวิธีคิดโดยเอาธรรมะต่างๆเข้าไปจับคือมีสติกับเรื่องพวกนี้ให้มากใช่ใช่นะคะก็น่าจะเกิดประโยชน์บ้างไหมคะท่านอันนี้ก็จะทำให้เราเป็นผู้มีความอดทนนะอดทนจะทำให้เราเป็นผู้มีความงามค่ะบุคคลจะงามในธรรมวันนี้ก็ต้องอดทนเอา นะคะดิฉันเนี่ยพยายามมากเลยที่ระยะหลังเวลาตอบคำถามใครเนี่ยต้องเปิดช่องเพื่อความไม่แน่ด้วยเพื่อความเป็นธรรมให้กับตัวเองแล้วเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยอาจจะผิดพลาดพลัดหลงเข้าไปในหนทางอคติสนถ้ามาเอาเป็นเอาตายกับในสิ่งที่พูดแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปโดยเหตุปัจจัยโดยไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสังขตใช่ใช่ค่ะ วันนี้ก็คงจะต้องรบ ก, กวนท่านพิบูลแต่เพียงเท่นนานี้นะคะเชิญปานนะคะแล้วก็ขอให้ท่านรู้ว่าทุกคนสามารถจะถวายความดีในปีพุทธชียนตีได้ด้วยการเป็นผู้ที่พยายามปฏิบัติตามโพธิปัจีิยธรรม37องค์ธรรมเพื่อการปรัสรู้ ต, ต, ต่างๆเพื่อาศาสนาของเราจะได้ตั้งอยู่ตลอดกาลนานนะคะ น, นีนมามส ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลค่ะเชิญานค่ะท่านฟังที่โพบคะ่ะ ท่านไปบุญจะอยู่เสาอาทิตย์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยในเวลาเดียวกันนี่นะคะส่วนรายการของเราในท่านก็จะพักไปเสาอาทิตย์พร้อมๆกับรายการพร้อมๆกับท่านมาร์คพร้อมๆกับดิฉันเพื่อที่จะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ต่อไปจำเอาไว้ค่ะที่คลื่นเอ็กซวิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้นะคะและก็วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติขอให้ท่านนําเอาพุทธว จ, จะนะไปใช้และท่านจะพบนะคะว่าชีวิตนั้น มีความสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะผัสทวัสดีค่ะ